ด้านประโยชนคาวิจรทั้งหลายสำหรับวันนี้ก็ยัขอเป็นบรรสรุปอนุสติสิตคําคำว่าอนุสตินี่แปลว่าการตามระลึกนึกถึงอารมณ์สิทราการก็ก็ได้กันหนึ่งนึกถึงความดีขององค์สมเด็จพระสัมสมาสมัมพุทธเจ้าเรียกว่าพุทธา น, นุสติ สองแลึลกนึกถึงความดีของพระธรรมเรียกว่าธรรมานุสติสามแล้ลึกนึกถึงความดีของพระอริยสงฆ์เรียกว่าสังขานุสติสี่แลนึกนึกถึงความดีที่องค์สมเด็จสมหาฮวินีทรสงสอนเรียกว่าสีลานุสติห้าแลนึกถึงความดีของทางการบริจาค ที่เราสละไปแล้วเพื่อหวังการเกื้อคุณบุงคนอื่นให้มีความสุขก็ไม่ไม่มีอารมณ์ผูกพันภาวางหวังการตอบส น, นองอย่างนี้เรียกว่าจาคานุสติหกนึกถึงคุณธรรมที่ทําบุคคลให้เป็นเทวดาคำว่าเทวดาแปลว่าประเสริฐคำว่าประเสริฐก็คือความดีไม่มีที่ติเรียกว่าเทวตานุสติ เนึกถึงความตายที่มันจะเข้ามาถึงซึ่งเป็นของที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้เรียกว่ามรณานุสติแปนึกนึกถึงกายว่ามันฉัตรวะกายคือมีท่าสี่ไปชมกันมา แ, แบ่งเป็นอาการสามที่สองมีการสลายตัวไปในที่สุด เ, เรียกว่ากายะตานุสติก้านึกถึงลมให้ใจเข้าออก สติทรงอยู่เรียกว่านาปานุสติจิตนึกถึงพระนิพพานเป็นอารมอย่างนี้เรียกอุปสมานุสติเป็นวันอันวานุสติทั้งสิบรายการนี้ถ้าท่านท่างหลายจะถามผมว่าเราควรจะทรงอนุสติอะไรดีจึงจะเป็นการสมควร อาจะให้กระผมตอบผมก็ขอตอบกทะธนาหลายว่าอนุสติทั้งหกนี้จําเป็นจะต้องทรงทั้งหมดเพราะว่าเป็นของดีทั้งหมดการนึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นของดีนึกถึงพระพุทธเจ้าจงยานึกถึงได้ความดีที่พระองค์ทรงปฏิบัติอย่างเดียว ยองพายกันนึกถึงคันห้าเขาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสียด้วยที่พระองค์ทรงบารมีทรงบำเพ็ญบารบมีมานานเนี่ยเพื่อจะ ร, รวบรวมคตปัญญาความรู้เขาองส์สมเด็จพระวิชิตา ม, มารมาสอนพวกเราเมื่อถึงที่สุดแล้วองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ไม่สามารถจะรักษาขั้นห้าคงอยู่ ในที่สุดองค์สมเด็จพระบรมครูก็ต้องสเสด็จดับแข้งเข้าสู่ท่าปรินิพานมองดูขันห้าขององค์สมเด็จพระวิกิตามานเป็นอานิีจังหาความเที่ยงไม่ได้ทุกครั้งท่าน ย, ยึดมันก็เป็นทุกอนัตตาในที่สุดก็สลายพระองค์สมเด็จพระจอมใจทรงเป็นอัจฉริยะมนุษย์ ทันห้าเขาองยังพังได้แล้วก็ของเราละไม่จอยู่ได้ยังไงมันจะเป็นเราเป็นของเราได้ยังไงนี่คิดววาอย่างนี้่วยใช้ปัญญาพิจารณาถ้าจะสรุปลงมาว่าผลอะไรที่จะพึงได้อยากการทรงอนุสติทั้งสาม ร, ระการคำว่าอนุสตินี่ปฏิบัติง่ายๆเนี่ยครับ อันไม่ให้เคร่งเครียดอะไรนะักให้อารมณ์สบายๆให้จิตใจมันทรงตัวนึกถึงพระพุทธเจา้าพระธรรมพระสงฆ์สีงคุมศีลคุมจ่าฆ่าขา่มฮินิโอตา ป, ปะรักยูมีความรู้สึกว่าอย่าตายเห็นว่าร่างกายเป็นธาตุสีอาการสามสิบสองอนาปานิทรงสติสมาญาณยะให้ทรงตัวอนาปานิดีมาก เราว่าสามารถคมจิตให้ทรงตัวที่เรียกว่าสมาธิและก็เป็นการระงับกายสังขางรระงับทุกขเวทนาแล้วอุปสมานุสติทำจิตให้เป็นสุขสุขที่สุดคืออรมรักมนิคานทีนี้เราก็มานั่งไล่กันดูอนุสติทั้งสิบรายการให้ผลราการใดเนึกถึงพระพุทธเจ้า นึกถึงพระธรมนึกถึงพระอริยสงฆ์มีศีลบริสุทธิ์สี่รายการนี้ถ้าจิตสรงตัวนึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์แล้วนึกถึงพระบรากายพระองค์สมเด็จพระจอมไตรปรมศาสดาว่าเป็น น, นิจจงลนะความจริงพระองค์เป็นพระพุทธเจ้าไม่น่าจะนิพพานก็ เ, เป็นอัจฉริยะมนุษย์ แต่ในที่สุดร่างกายก็เป็นร่างกายเป็นกฎธรรมดาของมันห้ามปรามาไม่ได้เกิดขึ้นในเบื้องต้นแล้วก็สลายตัวไปนในเม่ีสุดนี่เราร่างกายของเราก็ต้องพังอย่างนี้ไม่อยาพังก็ขอให้ทรงความดีคือยึดอานาจพุทธานุสติกรรมฐานเป็นอารมณ์ขอเกาะชายสังติของพระพระเจจาว้รัก คารพพระพุทธเจ้าไม่สงสัยในคําสั่งสอนขององสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือรักพระธรรมรักแล้วก็ปฏิบัติตามนึกถึงความดีของพระอริยสงฆ์ที่ธรรมะที่สมเด็จพระพุทธองค์ทรงสอนพระสงฆ์ก็ปาวนาพระอาริยสงฆ์รุ่นแรกภาวนารวบรวมเขไว้และผส์ทั้งหลายก็นํามาสอนตาม ที่รายการนี้ถ้าทรงตัวอยู่องค์สมเด็จพระบรมโคทรงเรียกว่าท่านโคนั้นเป็นพระโสดาบสกิทาคามีถ้าจิตทรงตัวจริงๆนะหมายความว่าจิตทรงตัวจริงๆไม่ปราโมทพระพุทธธรรมพระสงมีศีลบริสุทธ ไดารู้ว่าขันห้าคือร่างกายมันจะต้องตายอย่างนี้เชื่อ ว, ว่าเราสามารถทำลายสังโยศ์สามไปได้แล้วก็เป็นอะไรล่ะก็เป็นพระโสดาบสีทาคามีนี่ไม่ยากเลยนระครับสำหรับจาคานุสตินี้ยาคานี่มีกำลังใหญ่ ยาคะเอวเสียสลักไม่อยากจะเอาพระราชดำรัสคำพระบาทสมเด็จพี่หัวมาพูดกับท่านผมซึ่งใจในพระราชดำรัตมากแต่คนอยากคิดอย่างพระบาทสมเด็จที่หัวผมไม่เคยได้ยินที่ไหนทวาจยาคะถ้าเสียสลักยังมีกําลังยึด ถ้าตัดคามาเสียไปเหลือแต่สละอารมณ์ยังติดต้องใช้คำว่าละแมนะ้ตัวนี้ถ้าละเหลือละตัวเดียวละทันเอยตัวนี้ตัวเดียวปปนิ่ผานแล้วก็เล่งกันง่ายๆเอาง่ายๆดีกว่าจาฆ่าเราควรสละอะไรสละสิ่งของภายนอกก็ควรทำ เป็นการเพราะกำลังใจให้มีกำลังนด้นนการสละแต่จาระตัวนี้เราควรจะสละอารมณ์อย่างหนึ่งที่เป็นเครื่องเกาะนั่นก็คือกามชันทะเพราะกามาชันทะเรารักคนรักสัตว์รักวัตถุดริยมหน้ากามอารมณ์และก็ความนิยมในการรักไ ม, ไม่เกิดประโยชน์อะไรบ้าง รักกันอย่าตายพอแต่งหนากันเ้าหน่อยแต่งงานเขาหน่อยปรเดี๋ยวดียวก็ทะเลาะกันมันดีเลยเวลาก่อนจะแต่งงานกันก็เลือกสวยเลือกงามได้ความสวยความงามนี่มันคงตัวหรือเปล่ามันสุดทอมไปทุกวันแล้วในที่สุดตา่างคนก็ต่างจากกันเพราะเวความตาย สุขใดๆที่จะมาจากการแต่งงานไม่มีเลยหาสุขจริงๆไม่ได้อยู่คนเดียวสบายจะไปไหนก็ได้ทํำอะไรก็ได้ไรับวมื่อไรตื่นเมื่อไรกินมากกินน้อยขี้เกียจขยนันไม่มีใครขบับบ่นแต่พออยู่ด้วยกันสองคนขี้เกียจไม่ได้ต้องเพิ่มภาระการงานให้มากขึ้นนี่มันยุ่งตรงนี้ ถ้อยู่ด้วยกันก็ใช่จะมีความดีชื่นบานหมสาตลอดการตลอดสมัยก็หาไม่เนี้ยก็ขัดคอกันข่าวสารมีอยู่เสมอยิงกันตายบ้างติดตารางบ้างเดินขึ้นสะท้านนีตำรวจขอ้อยาจากกันบ้างนี่มันเป็นเรื่องของกรรมอาถรรพที่มีปราดความปราถนาในจิตเราไม่คิดที่ความเป็นจริง ถ้าบรรดาคนชายหดืหญิงมีความรู้สึกอย่างนี้โยใส้คนเดียวสบายตัดกำลังใจคือสละความรักใ้มันสลายตัวไปอยู่คนเดียวดีกว่ามันเป็นถ้าจิตเราละกามฉันทะตัวนี้ได้จอาศัยจากคะาสละดตัดทิ้งไปเลยละเส้นเลยอารมณ์ไม่ติด ในก่็จิตเมียภัยก็คือความไม่ตาปราณีตัวนี้น่าจะมาจากศีลแต่โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเรามีศีลก่อนจะมีศีลมันมีไม่ตาถ้าศีลเคร่งเครยขึ้นมาส่งอารมณ์ไม่ตามก็สงูงกรุณาก็สงูงการให้อภัยกับคนที่สร้างความชั่วทำตัวไม่ไม่เป็นมิตร ติจีคิดเป็นศัตรูไม่มีอันนี้มเพราะว่าถ้าทรงอาการสอมรักการนี้ได้ความเป็นอนนาคา ม, มีก็มาได้ถ้าฉลาดนี่รักถ้าที่เกียรติเขาตามใจโดยเฉพาะอย่า ง, งยิ่งถ้าก้าวมาถึงเทวตานุสติแล้วใยจะเข้าถึงอนนาคามีได้อย่างเป็นสุขเพราะเทะวตานุสตินี้ลายความชั่วกลัวความชั่ว ความชั่วที่จะมีมันได้นั่นคือปัจจัยของความทุกข์อะไรก็ตามถ้ามันเป็นปัจจัยของความทุกข์อาการอย่างนั้นเราเรียกกันว่าความชั่วได้ความรักในเพศมันเป็นปัจจัยของความสุขหรือความทุกข์และการโกรธพยาบาทคิดที่ฆ่าเคืงฆ่าเป็นศัตรูซึ่งกันมันเป็นปัจจัยของความสุขหรือความทุกข์ มันเป็นความทุกข์และมันเป็นความไม่ดีมันเป็นความชั่วอารมณ์เข้าถึงเทวตานุสติกรรมฐานเพียงเท่านี้ใหญ่ยยก็เป็นสุข ก, การทรงความเปรันาคา ม, มีเพราะว่าอารหันยังได้เลยนี่ย่อไว้ว่าเท่านี้ก็เป็นพระนาราย ม, มีได้และจิตใจต่อไปก็มนานั่งพิจารณาถึงมรณานานสติเนี่ึงความตายเป็นอารมณ์ ว่าไอ้เรานี่มันต้องตายนะเรานี่คือใครความจริงเราเข้าใจผิดคิดว่าร่างกายเป็นเราเป็นของเรามองมาดูกายยกตานนสติมองมาดูกายยกาตานุสตาิว่าเอองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากล่าวว่าร่างกายนี่ประกอบว่าได้ธาตุแต่ธาตุน้ำธาตุดินธาตุลมธาตุไฟ มีอาการสานิสองเกิดครัวกันไปมันไม่มีการทรงตัวมีการเกิดขึ้นในเบื้องต้นมีความเปลี่ยนแปลงในท่ามกลางมีการสลายตัวเป็นอดีตสุดและก็มันเป็นไขเมื่อสลายตัวก็เรียกว่าตายถ้าเป็นเราเป็นของเราจริงมันจะตายไหมมันก็ไม่ตายเพราะเราไม่ต้องการให้มันจะตาย ในเมื่อมันจะต้องตายอย่างนี้แสดงว่าเรากับมันก็ SF ไม่ใช่เราไม่ใช่มันในเมื่อเราไม่ใช่มันไม่ใช่เราเราไม่ใช่มันพูกพันมันจะประโยชน์อะไรร่างกายของเราก็ดีร่างกายของบุคคลือนก็ดีวัตถุธาตุทั้งหลายก็ดีเมื่อร่ า, าง ian, ากายที่เราทรงอยู่นี้มันพังื้อร่างกายของคนอื่นวัตถุธาตุทั้งหลายอย่างอืน่นที่เราคิดว่ามันเป็นสบติของเรา เราจะมีสิทธิปกครองมันไหมเป็นอันเราวันนั้นว่าเราก็ไม่มีสิทธิในการปกครองแล้วก็เอ๊ะถ้าอย่างนั้นเราก็ควรจะทำยังไงแล้วก็ควรวางจะวิธีวางวาง่ายังไงจับอนาปานุสติกรรมทานให้มีอารมณ์ทรงตัว อนนาปานุสติกรรมฐ า, านเนี่ยทำให้ใจสบายทำให้ร่างกายสบายเพราะว่าเป็นกรรมฐ า, านระงรับกายสังขารระงรับทุกขเวทนาให้มีกำลังใจตั้งมั่นมีความเก่งกลาจในการทรงสมาธิและก็มานั่งพิจารณาดู ว, ว่าร่างกายก็ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรามันมีความตายเป็นปกติเราชำระจิตอายความชั่ว กลัวคนข้องขื่นตัวในความชั่วนี่เราจะค้นได้จากที่ไหนเพราะความชั่วเป็นปัจจัยเป็นความทุกข์ถ้าเราเป็นคนมันก็ต้องทุกข์ถ้าเราเป็นเทวดาหรือพรหมมันก็ต้องทุกข์สิ่งที่พ้นทุกข์เป็นสกิจริงๆก็คือพรนิพพาน ที่องค์สมเด็จพระวิชิตธรมานต้องการให้คนทุกคนไปที่นั่นเราเรียกกันว่าอุปสมานุสติกรมรฐานเพียงเท่านี้คือจิตเราน้อมรับนับถือซึ่งพรนิพพานเพราะนิพพานนี่แปลว่าความดับ <c oughs> นิพพะนแปลว่าดับคือดับตันหาทั้งหมดคือการมตันหาภระวตันหาวิภวะตันห า, ะะหาดับมานะความถือตัวถือ ต, อตน เทียงเท่านี้องค์สมเด็จปทศพลก็ทรงดัดว่าท่านผู้นั้นเป็นผู้จิตว่างจากกิเลสจิตว่างจากกิเลสก็คือจิตเป็นพระอรหันต์เห็นมัรรดาท่านพุทธบริษัต ท, ทุกท่านและประโยคาวาจรทั้งหลายอนุสติทั้งสิบรายการนี้ถ้าจะสรงไว้พร้อมๆกันก็ไม่เห็นจะมีอะไรหนัก ไม่ต้องไปนั่งไล่เบี่ยพุทธานุสติธมานุสติแสงคานุสติสีลานุสติจารคานุสติเทวานุสติมรณานุสติกายขจานุสติอณนาปานุสติอุปสมานุสติไม่ใช่เป็นไล่อย่างนั้นให้อารมณ์มันสรงคราวเดียวถึงกันนี่เราก็มานั่งมองว่าองค์สมเด็จพระวิชิตธมานสอนเราตรงนี้มุ่งอะไร ให้มุ่งความดีจุดสุดท้ายนั่นก็คืออริยสัจอริยสัจนี้ถ้าพูดกันมากมันก็รู้สึกว่ายากถ้าพูดกันแต่เพียงในน้อยมันก็ของไม่ยากอริยสัจในอนุสติเรามองตรงไหนกันดีเราเรียนอนุสตินี่เราก็ต้องใช้อนุสติเป็นอริยสัจ อันดับแรกมองศรีระร่างกายขององค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาว่าพระรูปไปชมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อเป็นมนุษย์สวยจริงๆและก็ทรงเป็นอัจฉริยะมนุษย์เก็สวยกว่ามนุษย์สมบัติแต่เวลานี้ศรีระร่างกายขององค์สมเด็จพระบรมสุคตไปไหนอยู่หรือเปล่า ถเวลาที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัสมพุทธเจ้าทรงพระชนอยู่ร่างกายขององค์สมเด็จพระบระ ม, มะครู้ทรงสภาพเป็นปกติไหมพระพุทธเจ้าต้องฉันข้าวหรือเปล่าต้องฉันน้ำหรือเปล่าพระพุทธเจ้าต้องพักผ่อนนอนหรือเปล่าพระพุทธเจ้ามาทรงอยู่ทรงวรกายอยู่มีโรคภัยไข้เจ็บหรือเปล่าพระพุทธเจ้าแก่หรือเปล่าร่างกายพระพุทธเจ้า ดับสลายตัวหรือเปล่าก็เป็นอันว่าพระวรกายขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นอย่างนั้นทุกอย่างเหมือนกราเร า, เ, ราเมื่อพระพุทธเจ้าดีกว่าเราแล้วก็แต่สรีระแรงกายก็ต้องแก่เจ็บตายมีความทุกข์ของขันห้าแต่จิตท่านไม่ทุกข์เพราะอะไรก็เพราะว่ามันเป็นกฎธรรมดา แล้วมาดูร่างกายของเราที่องค์สมเด็จพระสัมสมาสัมพุทธเจ้า ก, กล่าวว่าประกอบด้วยธาตุสี่อาการสามสิบสองมันมีการเคลื่อนไหวก็ไปหาความตายเป็นปกติประสบอารม์ที่ฝืนใจอยู่เสมออาการทั้งหลายเหล่านี้ไม่เป็นความสุขและความทุกข์ความแก่เป็นสุขและเป็นทุกข์การป่วยไข้ไม่สบายเป็นสุขและเป็นทุกข์ การกระทบกระทัท่งอารมณ์ที่ไม่ชอบใจเป็นสุขหรือเป็นทุกข์การพัดพลาดจากของรักของชอบใจเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ความตายเข้ามาถึงเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ถ้าให้ผมตอบผมพูดคนเดียวนี่พูดคนเดียวไม่มีใครไข่คอผมก็ต้องตอบว่าอาการทั้งหลายเหล่านี้ทั้งหมดมันเป็นทุกข์หาความสุขไม่ได้ เนื้อมันเป็นทุกข์ทำไมจึงทุกข์ทำไมเราจึงต้องเกิดที่เราต้องเกิดมานี้ก็เพราะสายตัณหาเป็นสำคัญตัณหายากรักตัณหายากโลกตัณหายากโกรธตัณหายากหลงตัณหายากรักก็อยากมีคู่ครองตัณหายากโลกก็อยากมีทรัพย์สินให้มันมาก เป็นคนมีวาสนาบรารมีสูงส่งปัญหาอย่โกรธก็เป็นคนที่มีอารมณ์ถือเนื้อถือตัวเกินไปใครทำอะไรมาไม่ถูกใจก็ไม่ถูกความปรารถนาลืมจะิยาของเขาว่าคนที่เกิดมาในโลกนี้มันมาหลายพวกมาจากนารกก็มีมาจากเบรกก็มีอสุรกายก็มีจากสัตว์นิชัยก็มี จากพรมก็มีจากเทวดาก็มีเมื่อคนที่มาจากต่างแดนอย่างนี้จะมีจริยาเหมือนกันไม่ได้เพราะเราต้องเป็นไปเริมหน้ากฎของกรรมเราไม่ได้คิดไม่ได้คิดเรงข้อนี้คิดไต่อย่างเดียวว่าอะไรถ้าไม่ถูกใจเราเราก็โกรธอย่างนี้มันเป็นตัณหาเรื่อตัณหากโกรธตัณหาหลงหลงยังไงหลงว่าร่างกายของเรามันดีวิเศษเสียหมด มันจะต้องไม่แก่มันจะต้องไม่ป่วยมันจะต้องไม่ตายคนที่เรารักสัพท์ที่เรารักวัตถุที่เรารักมันจะต้องทรงตัวอยู่กับเราตลอดกาลตลอดสมัยอันนี้ก็เป็นตัณหาตัณหาหลงถ้าเราจะไม่หลงเราจะทํำยังไงก็คิดหาความจริงที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากล่าวว่าทุกเกิดขึ้นเพราะตัณหา วิธีที่จะตัดตัณหาก็ต้องใช้มรรคแปดย่อลงเด้อสามเพื่อศีลสมาธิปัญญาอันดับแรกทรงศีลให้บริสุทธิ์เมื่อทรงศีลบริรรสุทธิ์จริงๆศีลเป็นเอกคตา ร, รมถ้าศีลจะทรงบริสุทธิ์ได้เพราะอาศัยความเคารพพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสองฆ์อันนี้แล้วก็เป็นประโสดามัน เข้าถึงก็แสบม่ผ่านแล้วต่อไปองค์สมเด็จสันปทิเกวให้ทรงสมาธิอารมณ์ตั้งมันคิดว่าตายแน่นอนชีวิตไม่อยู่ความรักในเพศไม่มีความหมายความโกรธไม่มีความหมายตั้งใจไว้ในพรหมวิหารสี่เอากายชกตานุุติกมรณานุนติทั้งสองกถารนี้บวกกัน เห็นว่ามันไม่ใช่ดินแดนที่เราทรงการตั้งมันไม่ใช่ฐานมากไม่ใชสถานที่ยึดมันไม่ได้ไม่ใช่ก็ตายจึงก็แท่งกําลังใจของเราหมดจากความรักในระหว่างเพศหมดจากความโกรธเพราะกายกับตาสตินี้มันสร้างความดังเกียรตในร่างกายจึงกระัทกจิตใจเห็นคนทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายเหมือนยากากศพ เมื่อพบการมณ์ที่เราไม่ถูกใจให้อภัยไม่ถือโทษโกรธเขาถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาของคนมีกิเลสอันนี้องค์สมเด็จพระบระมมกกระเทยีถือว่าท่านคนนี้เป็นพระอนาคามีแล้วในที่สุดกำลังใจของเรานี้ก็ตัดมานะความถือตัวถือตน เพราะการถือตัวถือตนไม่ใช่ความดีเป็นปัจจัยของความทุกข์ไม่ใช่สายของความสุขอารมณ์จิตคิดอย่างเดียวคือเราต้องการดับดับเสียทั้งหมดแต่กายทิดทีการถือว่าร่างกายเป็นเราเป็นของเราเราดับยอมรับนับถือว่ามันไม่ใช่มันพงัง ทิ่จิตจิตขาคำสงสัยในองค์สมเด็จพระจอมไตรไม่มีเพราะใช้ปัญญาพิจนารณาแล้วว่าเป็นของจริงดับความสงสัยสีรพตปรตาปรมาจการโลกทำศีลไม่มีมีความมั่นในศีลไม่สงสัยในศีลอยึดมั่นดับอา ร, รมณ์ที่ไม่มั่นในศีลเสียแล้วว่าการมราคะก่อดับเสนกา ย, ยกตานุสติอสุภกรรมฐานแล้วก็ ความโกรธความเพียรบาดนั้นดับเพ้าในความเมตตาราหนึ่งคือพรหมิหารสีการหลงในฌานตสมนึกการคือรูปฌานและรูปฌานไม่มีคิดว่าความดีไม่ได้อยู่แค่นั้นต่อไปก็ดับความถือตัว ถ, ถ, ถือตนดับอารมณ์ผู้ง่านดีคิดว่า ย, ยังไม่ต้องไปนิพพานเถอะพะแค่อนาคามีกพอ เราไม่คิดอย่างนั้นคิดว่าชีวิตตินสียางทองอยู่จะไม่ยอมให้เวลาความดีที่มีนี้โอกาสที่จะสร้างความดีให้หมดจดจะทำให้หมดไปในเมื่อตรงปรานยังอยู่ต่อมาก็ยอมรับนภอคำสั่งสอนพระองค์สมเด็จพระบรมครูคือฉันทะตัดเสียดับฉันทะความพอใจในมนุษยโลกเทวโลกกับสัมมโลก ราคาเราคนดับเสียก็เห็นว่ามนุษย์สวยเทวดาสวยผมสวยไม่มีเพราะดินแดนทั้งหลายเหล่านี้เป็นดินแดนแห่งความทุกข์หาความสุขไม่ได้สิ่งเราต้องการก็คือพระนิพพานอารมณ์ใจยึดมัน่นถือมั่นหมความตั้งใจเฉพาะพระนิพพานมีอารมณ์เป็นสุขย้อนทั้งอารมณ์ทรงอุเบกขาคือความวางเฉยเฉยต่ออารมณ์ต่างๆที่มากระทบใจ เฉยต่อการทั้งหลายที่ทข้ามากระทบจิตใจใจสมายเป็นสุขที่ว่าเราเข้าเขตแดนของความหมดทุกข์เรียกัว่าพระละหันเพียงเท่านี้บรรดาพโยคาวจรทุท่านอนุสติทั้งสิบราการถ้าทรงได้จริงๆบรรดาท่านพุทธบริษัทชายหญิงอุบาสกอุบาสิก า, าพิสุทมินเมณ ท่านทั้งหลายก็จะมีกำลังใจผลนทุกข์มีแต่ความสุขคืออารมณ์เข้าถึงพระนิพพานเวลานี้หมดสิ้นแล้วนี่ท่านขอลาก่อนอท่านทั้งหลายจงบรรลุธรรมที่องค์สมเด็จพระจินาวร์บ ร, ษษ ร, รมศาส์สันดาสมาสมุทธยเจ้าทรงตรัสขอบรรดาท่านผู้บริษัทเข้าถึงธรรมนั้นโดยจับพลังสวัสดี ขอบรรดาท่านผู้บริษัทเข้าถึงทำน้นโดยจับหลังสวัสดี